ญาติโยมสาธุชนนะวันนี้ก็เป็นวันมาคบูชานะมาคบูชาองค์สมัยสมุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกนะปาติโมกในาศาสนานี่มีอยสองอย่างนะอาณาปาติโมกและเทสนาและโอวาทปาติโมกอาณาปาติโมกกับโอวาทปาติโมก ข้างหลังนม่มีคาว่าปาติโมกเหมือนกันข้างหน้าแตกต่างกันตรงที่อาณาและก็โอวาทะปาติโมกมาจากปาติโมคะหรือปะอติโมคะแปลว่าช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามได้หลุดพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่โดยพิเศษจะเป็นโอวาทะปาติโมกก็ตามจะเป็นอาณาปาติโมกก็ตามสองอย่างนี้ถ้าใครปฏิบัติตาม ปาติโมกนี่แหละก็จะช่วยให้ผู้นั้นได้พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่โดยพิเศษนะอันนี้นก็ความหมายของว่าปาติโมกส่วนโอวาทะก็เป็นคำสอนนะคำสอนอาณาปาติโมกก็เป็นคำสั่งปาติโมกมี2 อ, อย่างโอวาทะปาติโมกนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงครั้งแรกหลังจากตัดสู้แล้วก็คือวันเพ็ญเดือน3จาก ที่ตัสรุนั้นเป็นเดือน6จาก6ไปถึงเดือน3กี่เดือนจากเดือน6ไปถึงเดือน3กี่เดือน9เดือนแสดงครั้งแรกนะวันเพนเดือน3แล้วก็โอวาทปฏิโมกนี้พระองค์แสดงต่อไปอีกถึง20ปีแต่แสดงแล้วเนี่ยมีพระภิกษุ1250รูป แล้วก็มีองค์สี่จะตรรงจะตรรงกรสันนิบาตมีองค์สี่ครบเนี่ยในศาสนาหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีครั้งเดียวก็คือวันที่มีพระอรหันต์มาประชุมกัน 1,250 รูปพระอรหันต์ที่มาทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ที่ได้บวชจากสำนักพระผู้มีพภาคเจ้าคือบวชโดยเอหิภูกระสมปทาและพระอรหันต์เหล่านั้นทั้งหมดได้อภิญญาหกนะ แล้วก็พระรนนั้นทั้งหมดมาโดยไม่ได้นัดหมายเพราะนั้นในศาสนาหนึ่งมีครั้งเดียวส่วนโอวาทปฏิโมกนี้คือไม่ต้องครบองค์สี่คือพระองค์ถึงวันนะถึงวันนี้พระองค์ก็แสดงโอวาทปฏิโมกหมายก็ว่าโอวาท่าปฏิโมกนี้พระองค์เริ่มตั้งแต่หลังเจตตตลูแล้วเก้าเดือนแสดงไปอีกยี่สิบปีนะยี่นะ 20, สิบพรรษา หลังจากนั้นแล้ว20่พรรษาแรกเรียกว่าปฐมโพธิการ20พรรษาแรกเรียกว่าปฐมโพธิการสิบห้าพรรษากลางเรียกว่ามัชชิมโพธิการส0บพรรษาหลังเรียกว่าปัตชิมโพธิการอันนี้ก็คือการแบ่ง45้าพรรษานี้แบ่งเป็นสามช่วงช่วงแรกเนี่ย กินระยะเวลามากหน่อย20่พรรษาช่วงที่2ก็15บช่วงที่3มก็ เ, เหลือ10นัก็วิธีการนับการแบ่ง45พรรษาออกเป็น3หรือวิธีการแบ่งอีกอย่างหนึ่งแบ่งง่ายๆก็คือ15 15 15 153 15. เป็น45นะ่สนะัก็วิธีการแบ่ง15แรกเป็นปฐมโพอดิการ15กลางเป็นมัชชิมโพอิการ15สุดท้ายเป็นปัจชิมะพอิการก็ที่แบ่งอย่างเนี้ยเพื่อจะให้เห็นว่ า, าจาก พรรษาแรกถึงพรรษาที่สิมีการแสดงโอวาทาปฏิโมกหลังจากนั้นก็เป็นอานาปาฏิโมกข์พานักพิธีการนับตรงนี้ก็มี2มตินะสมติมติที่นับ20พรรษาแรกเป็นปฐมโพธิการกับอีกมติ1 น, นับเท่ากันคือ15บพรรษาแรกเป็นปฐมโพธิการที่นับเป็นปฐมโพธิการเพื่อจะให้ทราบ ว, ว่าในช่วงปฐมโพธิการนีนะ้มีแต่แสดงโอวาทาปฏิโมกอาอนาปฏิโมกยังไม่ได้แสดง นะจึงมีการแบ่งช่วงระยะเวลาที่องค์มัสม า, ส, มาสัมพุทธเจ้าทรงเผยแพร่ธรรมะ45ปีแบ่งเป็น3และตรง45นี่แหละเมืองไทยก็มาทําเป็นพระไตรปิฎกฉบับบาลี45เล่มฉบันะบบาลี45เล่มเอาภรษาที่พระองค์เผยแพร่ศาสนามามาทําเป็นพระไตรปิฎกนั่นะก็วิธีการทของพระไตรปิฎกของไทยเพราะนั้นสําหรับตรงนี้ก็คือโอวาทปฏิโมกกับอาณาปาดิโมกสองอย่างเนี่ย อานาปติโมกหลังจากพรรษาที่21 เ, เป็นต้นไปพระองค์เริ่มทรงแสดงอานาปแสดงอานาปติโมกนี้จริงๆเนี่ยพระองค์ไม่ได้แสดงสาหกเป็นผู้แสดงแต่พระองค์เป็นผู้ตัดนะตัดบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุเสดเมถุนต้องป ร, ราชิกภิกษุลักทรัพย์ของผู้อื่นต้องปราชิกภิกษุอดอัตติมุตธรรมต้องปราชิกภิกษุฆ่ามนุษย์ต้องป ร, ราชิกนะการบัญญัติต่างๆในพระองค์เป็นผู้บัญญัติ แต่เวลาขึ้นแสดงซื15้าวันครั้งหนึ่งเป็นหน้าที่ของพระสาวกเพราะฉะนั้นโอวาทปาติโมกเป็นปาติโมกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเองส่วนอาณาปาติโมกเป็นปาติโมกที่พระสงฆ์แสดงมาพระสงฆ์แสดงมานับตั้งแต่พรรษาที่21็ถึงปัจจุบันกี่พรรษาแล้วก็สองันห้าร้ สี่สิบเก้าบวกเพิ่มไปอีกสี่สิบเก้าบวกเพิ่มไปอีกส <24. S 1> ามสิบห้า 35. เป็นเท่าไหร่ 24, 25, ก็คือตั้งแต่มษาดีศิลจนถึงมษาศสบสี่สิบห้าสสิบสี่สิบห้าเนี่ยลบไปยี่สบเหลือเท่าไหร่ อ่าหลือ 25, 25้ายีไปบวก49เป็นเท่าไหร่ 25, 25, 25. นะเพราะฉะนั้นอาณาปาติมโมกเนี่ยพระสงฆ์ท่านแสดงมาตั้ง2574ปีแล้วส่วนโอวาทาปฏิมโมกเนี่ยพระองค์ทรงแสดงตามมาติแรกก็บอกว่าแสดง2 0พรรษาอีกมติหนึ่งก็แค่15้านะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงนี้อาณาปาติมโมกกับโอวาทาปฏิมโมกวันวันนี้เป็นวันโอวาทาปฏิมโมก โอวาทปาติโมกเป็นปาติโมกที่พระองค์ตัดว่าตามพระไตรปิฎกขันติประมังตโปติติขาขันติเป็นตบะอันยอดเยี่ยมนิพพานังประมังวันติพุท ธ, ธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตัดนิพพานว่าเป็นประมังเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะฮิปัปปชิตโตป ร, รูปคาตีถ้าเข้าไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าบัรฑชิต ณสมโนโหติปรังวิเหทิยันโตนเข้าไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าสมณ ะ, ะแล้วก็อนุประวัติคาถาที่สองสัพพปาปะสะอักการนางการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสระอุปสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมสัจจตประโยชน์ทัพปนังการทําจิตของตนให้พองแผ้วเอตังพุทธังเอตังพุทธานาสาสนังสมข้อนี้ก็เป็นคําสอนของพระอาจารย์ทั้งหลายส่วนคาถาสุดท้ายคาถาที่สมก็คือ อนุปวาโทการไม่เข้าไปว่าร้ายผู้อื่นอนุปคาโตไม่เข้าไปทําร้ายผู้อื่นปาติโมกเขจะสังวโรการสํารวมในอานาปาติโมคมตัญยุตตาจะพัตตสงความเป็นผู้รู้จักประมาณในพัฒนปันตัญจะเสนาสนังแล้วก็อยู่ในเสนาสนะอันสงัดอธิจิตเตจะอายโยโโการประกอบในอธิจิต เ, เตังพุท ธ, ธานาสาสนังนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นั่นก็คือสมคาถาคาถาแรกขันติประมังตโปติทิขาคาถาที่สองสัพพปาภาษาอการังคาถาที่สมอนุปวัโตอนุปคขาโตอนิจจาวัตรัยพิดกโดยตรงแต่ที่เราเห็นก็เขียนตามที่ต่างๆพระพูดถึงโอวาทปฏิโมกเขียนขึ้นต้นโดยคาถาว่าสัพพปาภาษาอาการณังกุสละสูปะสัมปทาสจิตตประโยชน์ทพนังเอตังพุทธานาซาสนังขึ้นต้นด้วยสัพพปาภาษาอการังนี่มีที่มาจากธรรมบทอัตถกถา ไม่ชพระบาลีนะมาจากธรรมบทอัตถกถาซึ่งท่านพุทธโคสาจารย์ตรงนี้ก็ต้องการที่จะเน้นเน้นว่าภาพรวมนะภาพรวมก็คือสรรปาวป่าภาษาการณังกุศลสอุปะสมบัตก็ต้องการเน้นส่วนตรงนี้แต่จริงๆแล้วโอวาทาปาติโมกเนี่ยพุทธองค์ตัดเพื่อใครตอนที่ตัดเนี่ยตัดเพื่อพระภิกษุโดยตรงภิกษุโดยตรงแต่หลังจากนั้นก็มีการประยุกต์ไปใช้ ที่ไม่ใช่ภิกษุก็เอาไปใช้ได้นะแต่ที่คาถาแรกก็คือขันติประมังตะโปติจิกาก็ดีคาถาที่สมอนุบวณอนุปวานโทนุปคาโตก็ดีอันนี้ก็เน้นเรื่องของพระโดยเฉพาะส่วนคาถาสัพปาปะภาษาการรณาพระก็ได้โยมก็ได้เพราะฉะนั้นธรรมบทอัจฉริยเนี่ยจึงขึ้นต้นโดยคาถาว่าสัพ ป, ปะปะภาษากรรังเป็นคาถาแรกและเมืองไทยพระทะเลียนธรรมบทโดยมากเรียน พอเรียนแล้วเวลาเอานำเอาโอท่าปฏิโมกมาเผยแร่ให้ญาติโยมได้รับทราบก็เอาตามธรรมบทอัตกะถาเพราะฉะนั้นจะขึ้นต้นโดยคาถาว่าสัพพาปาปัสสะาการนังกุสละสะอุปสัมปทาส่วนบางท่านที่ไปนค้นจากพระไตรปิฎกโดยตรงไปเจอขันตีประมังตโปติติขาขึ้นมาอ้าวก็เลยบอกว่าทั่วไปที่เขาเอาสัพพปาปัสสะการนังขึ้นก่อนนั้นผิดนะ ต้องขันตีประมังตโปธิติขาขึ้นก่อนจึงจะถูกนะอันนี้ก็คือมันก็ถูกทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งยกพระบาลีก็โดยขึ้นคาถาขันตีประมังตโปติติขาอีกฝ่ายหนึ่งยกคาถาธรรมบทอัตตกถานะธรรมบทอัตตกถาก็จะขึ้นสัพพปาปะสะอาการนังขึ้นคาถานี้ก่อนก็มีที่มาที่ไปทั้งสองแบบนะก็ใช้ได้นั่นก็ไม่จะประเด็นว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะประเด็นอยู่ที่ว่าอะไรเป็นโอวาทปฏิโมกอะไรเป็นอาณาปาติโมก โอวาทปฏิโมกกับอาณาปาติโมกเนี่ยอาณาปฏาิโมก ค, คือสิกขาบทบัญญัติที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้สั่งห้ามว่าห้ามทํานั้นห้ามทํานี้เมื่อปฏิบัติตามก็พ้นจากอบายภูมิโอวาทปฏิโมกเป็นปาติโมกที่พระองค์ทรงสอนว่าจงอย่าทําบาปนะให้ทําดีแล้วก็ทําจิตของตนให้พองแผ้ว ลักษณะนี้ก็โอวัฒนปฏิโมกถ้าทําตามก็พ้นจากอบายเช่นเดียวกันแต่อาณาปติโมกเป็นคําสั่งโอวัฒนปฏิโมกเป็นคําสอนสองอย่างนี้การเวลาก็พอเข้าใจแล้วนะแต่อยากจะทราบว่าอาณาปาติโมกกับโอวาทนปฏิโมกข์ปฏิโมกขสองอย่างนี้อย่างไหนช่วยให้พระาศาสนาดํารงอยู่ได้ถึง 5,000 ปี ยมมยมวรวัตว่าอะไรอยู่ไหมอยอมจำลองอนาปาติโมกอยอมสุขพันโอาวาทาปฏิโมกอา้าวฝ่ายที่ตอบว่าอานาโอวาทปฏิโม ก, ก่อนให้เหตุผลมาชนิดหนึ่งทำไมโอวาทปฏิโมกช่วยให้พระศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้ห้าพันปีลองให้เหตุผลใครก็ตามที่คิดว่าโอวาทปฏิโมกเนี่ยให้เหตุผลไม่ได้เลย ทำไมจึงช่วยศาสนาตั้งมันอยู่ในห้าพันปีโอวาัทนาปฏิโมกเสื่อมจากพระวินัยเลยไปเสื่อมจะเสื่อมก่อนใช่ไหมแล้วก็พระวินัยเป็นโอวาัทะาหรืออาณาอ้า <c> ว <oughs> และคำตอบขัดกันแล้วเมื่อกี้ตอบโอวาัทะาหรืออาณาโอวัฒนปฏิโม ก, โาาโมก ค, คำอธิบายเนี่ยให้เหตุผลขัดแย้งคำตอบ อขาตอบที่สิบรอกเขาใจแล้วอันนาเสือไปแล้วแต่จะดูข่าวไดรอฟังจุดประสงค์ก็คือจะให้วาสนาแต่ศาสนาเนี่ยังไม่พูดถึงปริยัติหรือปฏิบัติหรือธรรมะก็คือศาสนาจะอยู่หรือไม่อยู่นะก็คือเป็นเหตุนะนะไม่ใช่เอาผลนะนะตัวผลวินัยเนี่ยเป็นที่ตั้งอยู่เนี่ยเป็นตัวผลแต่ต้องการตัวเหตุเหตุในที่นี้คือ อานาปาติโมกหรือโอวาทปาติโมกจะเป็นเหตุให้ศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้ถึงห้าพันปีอา้าวฝ่ายยมจำลองอานาปาติโมกใช่ไหมอา้าวแล้วให้เหตุผลมาเพราะว่ า, า, าพระอภิธรรมพระสันตียพระอภิธรรมจะเสื่อมก่อ น, นอ้าไปทาเสื่อมก่อนใช่ครับอ้าผมคิดว่าจะเสือสเส่อมหลังเสุดเสื่อมลงส อ๋อนะคันศาสนาก็องค์พระชินนสีเมื่อห้าพันปีก็จะเหลือแต่พาเหลืองน้อยให้หูทําไมสําคัญตั ว, วบวชเป็นองนะก็จะมีมา่ก่อนเนี่ยเขามีบอกสกราต์นะกี่พันปีเหลืออะไรนะกี่พันปีกี่คันปีนะฮะสามพันปีเหลืออะไรสี่พันปีเหลืออะไรห้าพันปีสุดท้ายจะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นปฏิโมก2ออย่างเนี่ย อานาปาติโมกเป็นปาติโมกที่เป็นเหตุอันนีถามเหตุนะไม่จะถามผลเป็นเหตุให้าศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้ห้าพันปีอานาปาติโมกส่วนโอวาทปาปฏติโมกไม่ตั้งมั่นอยู่ได้เพราะอะไรเพราะโอวาทปาปฏติโมกเนี่ยพระองค์ทรงชี้แนะว่าอย่าทำบาปให้ทำดีทำจิตให้ผ่องใส ใครทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ปรับโทษส่วนอานาปาติโมกนี้บัญญัติสิกขาบทมาแล้วใครไม่ทําปรับโทษหนึ่งปรับโทษเป็นอบัตินั้นอบัตินี้สองโทษในอนาคตคือหลงอบายส่วนโอวาทาปฏติโมกปัจจุบันเนี่ยใครทําก็ไม่ไอ่าไม่ทําก็ไม่ได้ปรับโทษแต่ถ้าทําก็พ้นจากอบายเพราะฉะนั้น ศาสนาของพระพุทธเจ้าบางพระองค์ไม่มีอาณาปาติโมกข์พุทธเจ้าบางพระองค์นะไม่มีอาณาปาติโมกข์มีแต่โอวาทปาติโมกข์คือเทศเพาะโอวาทปาติโมกข์คนฟังก็ได้บรรลุแล้วไม่มีใครล่วงละเมิดเลยพอไม่มีใครล่วงละเมิดเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ช่วง สาวกที่ได้ฟังแล้วก็ได้บรรลุกลุ่มแรกเป็นอรหันต์หมดเป็นอริยะหมดไม่มีใครร่วงละเมิดพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอรหรันตสาวกเหล่านั้นปรินิพานผู้ที่บวชเข้ามาในช่วงที่สองไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรศาสนาก็อยู่ได้แค่สองช่วงอายุคนหมดช่วงแรกเป็นพระอรหันต์หมดช่วงที่สองเป็นปุถุชนหมด แล้วก็ไม่รู้จะปฏิบัติอะไรศาสนาก็เลยหมดแต่ในศาสนาขององมป萨สาวุติเจ้าของเราในยุคปัจจุบันเนี่ยหลังจากพรรษาที่2ี่สมีพระสุทินได้่วงละเมิดบัญญัตินะพอร่วงละเมิดบัญญัติยไม่ได้บัญญัตินะ่วงละเมิดก็คื อ, อทำการเสพเมทุนกับภรรยาเก่าพระองค์ก็บัญญัติสิกขาบทมีภิกษนะุกระทาผิด พระองค์ก็บัญญัติสิกขาบทพอบัญญัติสิกขามทสิกขาหบดต่างๆที่บัญญัติไว้นั่นแหละเป็นปาติโมกและพิสูจนก็สวดทั้งปัจจุบันเพราะนั้นพิสูจน์ที่เป็นบุรุษชนบวชเข้ามาก็รักษาปฏิบัติวินัยซึ่งเป็นอาณาปาติโมกศาสนาของเราก็ยังอยู่ได้ถึงกระทั่งปัจจุบัน2อ0 0ัเท่าไรสหร่สิบเปีอยู่ได้กระทั่งปัจจุบันนี่ไม่ใช่เพราะโอวาทปาติโมกแต่อยู่ได้เพราะอาณาปาติโมกนะคอาณาปาติโมก เพราะอะไรก็ปัจจุบันเนี่ยโดยมากมีแต่ปุริชนทั้งนั้นแหละเอา้าปุริชนทั้งนั้นทําไมอยู่ได้ก็เพราะรักษาตามอาณาปาติโมกตัวอาณาปาติโมกันแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อยู่ได้แต่ถ้าโอวาทปาติโมกแล้วคุณจะทําไม่ทําก็เรื่องของคุณถ้าอย่างนี้แล้วก็เป็นอันว่าหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบางพระองค์ไม่บัญญัติสิกขาบทไม่มีอาณาปาติโมกศาสนาของพระองค์จึงตั้งมั่นอยู่ได้ไม่นาน อันนี้ศาสนาตั้งมั่นได้อยู่ได้นานหรือไม่นานเนี่ยใครเป็นคนคิดเป็นคนต้นเหตุพระสารีบุตรท่านไปอยู่ในที่ส ง, งัด แล้วก็เข้าชานอภิญญาตรวจดูโอ้ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดตั้งมั่นอยู่ได้นานศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตั้งมั่นอยู่ได้อยู่ได้ไม่นานภาษาริบุตท่านเข้าชานอภิญยาตรวจดูก็เห็นโอ้ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พระองค์ไม่ได้บัญญัติศิกขาบทเอาไว้ศาสนาของพระองค์ตั้งดังมั่นอยู่ได้ไม่นานส่วนศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พระองค์ทรงบัญญัติศิกขาบทคือมีอานาปาติโมกษาศาสนาของพระองค์จึงตั้งมั่นอยู่ได้ไม่นานพอหลังจากนั้นออกจากชานอภิญญาโอ้ เราต้องรีบไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงบัญญัติศิกขาบทให้ทรงแสดงอาณาปาิโมกโดยเร็วเพื่อศาสนาจะได้ตั้งมั่นอยู่ได้นานพระองค์ก็รีบห้ามสาลีบุตรหยุดก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนตราบใดที่ยังไม่มีผู้ล่วงละเมิดยังไม่มีผู้กระทำผิดตถาคตจะไม่บัญญัติศิกขาบทล่วงหน้ารอให้มีภิกษุ การทำการล่วงละเมิดก่อนแล้วส ถ, ถาคตจึงจะ บ, บัญญัติอานาปาติโมกเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตัดห้ามภาษาลีบุตรนะภาษาลีบุตรเข้าฌานปัญญารู้เหตุการณ์ในอดีตแล้วก็ในอนาคตว่าศานะ ส, สนาจะตั้งมั่นอยู่ได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นพระสารีบุตรไปทูลพระองค์พระองค์ก็เลยเบรกเอาไว้พอมีพระสุทินมาทำเศรษเมทุนพระองค์ก็เลยบัญญัติเริ่มตั้งแต่นั้นอานาปาติโมก พระองค์ก็เริ่มบัญญัติทีละข้อทีละข้อแล้วก็ให้พระสงฆ์แสดงอานาปาติโมกทุกกึ่งเดือนเพราะนั้นโอวาทปาติโมกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้แสดงส่วนอาณาปาติโมกพระสาวกเท่านั้นเป็นผู้แสดงคําว่าแสดงในที่นี้ก็คือเอามาแสดงให้พระสงฆ์ด้วยการฟังทุกวัน15คห้าหรือวัน14บ่ค่ำทุกกึ่งเดือนนั่นเองทุกกึ่งเดือน จะเป็นขึ้น15คหาคำเรม14คสี่ำก็มีการแสดงอานาปาติโมกหรือที่เราเข้าใจในนามว่าพระลงโบสถพระลงโบสถลงอุโบสถนะนะลงโบสถในที่นี้คือลงไปในอุโบสถแล้วก็สวดปาติโมกบางที่เราก็เรียกเต็มๆว่าพระลงอุโบสถพระสวดปาติโมกนั่นแหละเป็นอานาปาติโมกนะปาติโมกสองอย่างคงจะเข้าใจนะวันนี้ 1. โอวาทปฏติโมก 2. ออาณาปาติโมกโอวาทปฏติโมกเทศโปรดเฉพาะคนดีคนที่จะได้บรรลุส่วนอาณาปาติโมกทั้งดีไม่ดีพระองค์เทศโปรดหมดแล้วก็เป็นปาติโม ก, กที่ช่วยให้พระศาสนาดำรงมั่นคงมาถึงกระทั่งปัจจุบันแล้วก็จะครบห้าพันปีก็ต่อเมื่ออาณาปาติโมกนี่แหละเป็นเหตุนะเป็นเหตุ สงสัยเกินเวลาหรือเปล่าเนี่ย <laughs> เพราะฉะนั้นปาฏิโมกขสองอย่างวันนี้เป็นวันอะไรเป็นวันโอวาทปาฏิโมก <laughs> วันโอวาทปาฏิโมกไม่ใช่วันอาณาปาติโมกแต่สำหรับทั่วไปเรามองภาพรวมก็คือวันโอวาทปาฏิโมกสํสำหรับพระท่านลงไปในโบทเป็นอะไรอาณาปาติโมกเพราะฉะนั้นวันนี้มีกี่ปาฏิโมกล่ะ ปาติโมกคือโอวาทะปาติโมกและอาณาปาติโมกท่านในโบทนั้นเป็นอาณาปาติโมกถ้าแสดงนอกโบทั่วๆไปนี่เป็นโอวาทะปาติโมกมีสองปาติโมกปาติโมกแปลว่าช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามหลุดพ้นจากอบายภูมิโดยพิเศษความหมายก็ว่าปาติโมกปาติโมกมาจากปอติ โมฆะหรือมาจากปาติบวกโมฆะแยกสับสองอย่างนะปะอติโมคฆะก็ได้แล้วปาติโมกนี้อย่าเขียนเป็นต่อประตักเด็ดขาดให้เขียนเป็นตอเต่านะถ้าเขียนเป็นต่อประตักนั่นคือปฏิอุปสักต่อเต่าเปลี่ยนเป็นต่อประตักได้แต่นี่ไม่ใช่ปฏิอุปสรรคเป็นปะอุปสคัคอติอุปสัคอุปสรกสองตัวซ้อนกัน หน้าโมฆะสับโมฆะแปลว่าหลุดพ้นไม่ใช่แปลว่านิพานนะหลุดพ้นจากอะไรจากอบายภูมิอบายภูมิก็แยกมาจากอปะบวกอายะอายะแปลว่าความสุขอปะแปลว่าปลอดภูมิที่ปลอดความสุขคืออะไรนรกเปรตอสุรกายสัตดิรฉานภูมิทั้งสี่ภูมินี้เป็นภูมิที่ปลอดความสุขหรือปราศจากความสุข จึงเรียกว่าอบายภูมินะอบายภูมิอันนั้นก็ถ้าเรารักษาประพฤติตามโอวาทปัปปิโมกก็ตามอนาปติโมกก็ตามจะพ้นจากอบายภูมิคือภูมิที่ปลอดความสุขนะดังนั้นโอวาทปัปปิโมกย่อๆน่ะก็คือ1ใครแสดงโอวาทปัปฏิโมเอาใครแสดงโอวาทปัปฏิโม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีคําว่าเท่านั้นแต่ยุคนี้สมัยนี้เอาพระขึ้นมาเทศละ่ะไม่เป็นลายเอามาเทศก็คือพระองค์ทรงแสดงกับพระพิสูจน์สงโดยตรงนะพระเจ้าเป็นผู้แสดงส่วนอานาปิโมกขายเป็นผู้แสดงพระสงฆ์สาวกเท่านั้นนะมีคําว่าเท่านั้นคือจํากัดว่าให้พระสงฆ์แสดงกันเองแล้วนะก็คือโอวาทปฏิโมกนี้แสดงในถ้ำกลางสง์ เฉพาะสงที่บริสุทธิ์เท่านั้นโอวาทปฏิโมที่พระองค์แสดงแกสงเนี่ยสงที่บริสุทธิ์เท่านั้นพระองค์จึงแสดงโอวาทปฏติโมวันที่สงไม่บริสุทธิ์พระองค์หยุดแสดงแสดงอะไรแทนอาณาปาติโมกแทนเพราะมีผู้ล่วงละเมิดศิกขาบทสงไม่บริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็ให้พระสงค์แสดงอานาปาติโมกแทน อันนั้นระหว่างโอวาทาปฏิโมกกับอาณาปาติโมกก็แตกต่างกันช่วงการเวลาเหตุผลแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์นะแต่ในยุคนี้สมัยนี้วันนี้นะเราก็เน้นโอวาทาปฏิโมกส่วนอาณาปาติโมกก็เป็นเรื่องของพระที่ท่นลงอยู่ในโบสถ์เป็นประจำนะเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ให้ความสําคัญกับตรงนี้แต่วันนี้ขอฝากอีกนิดหนึ่งเกินเวลาไปแล้ว5นาทีนะ <c oughs> เกินวไปห้5นาทีแต่อยากจะฝากสักนิดหนึ่ง วันปาติโมอย่าไปคิดถึงว่าโอวาทะปาติโมขอให้คิดถึงอะไรวันแห่งความสามคัคคีทำไมจึงสามคัคคีพระสงฆ์กี่รูปมาประชุมกันโดยไม่ไดดัดหมายสองหพรูปหนึ่งพรูปเป็นสิทธิ์ของชดินสามพี่น้อง250หรูปเป็นสิทธิ์ของ ภาษาลีบุตรพระโมคคลาเพราะฉะนั้นไม่นับภาษาลีบุตรไม่นับพระโมคคลาไม่นับปัญจวัคคีทั้งห้าไม่นับหัวหน้าฉดินสามพี่น้องไม่นับพระพุทธเจ้านับเฉพาะสิทธิ์ที่เป็นสาวกพันสองร้อรูปมากันโดยไม่ได้นัดหมายนะทำไมจึงมาเพราะอะไรแสดงพลังแห่งความสามัคคีก่อนที่จะออกไปประกาศศาสนาครั้งยิ่งใหญ่พระสงฆ์มาเนี่ย เกิดอะไรขึ้นสุขาสังคต ส, สามัคคีความพร้อมเพียงของพระสงฆ์หรือความพร้อมเพียงของหมู่เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขเมื่อพระสงฆ์มาแล้วมาแบบไหนมาแบบไม่ได้นัดหมายแต่ทุกองมีจุดประสงค์เดียวกันว่ามาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพร้อมกันทุกองเป็นกายสามัคคี มีความประสงค์หรือเป้าหมายอันเดียวกันเป็นจิตตะสามคัคคีแล้วทุกองค์เป็นผู้บรรลุธรรมจึงแสดงให้เห็นถึงพลังของธรรมะสามคัคคีปกติธรรมะสามัคคีนี่คือการบรรลุธรรมนะเช่นโพธิปักขีธรรม37มเจประการเกิดพร้อมกันมักมีองค์แเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นธรรมะสามคัคคีเพราะฉะนั้นหลังจากโอวาทปาติโมกจบ พระสงฆ์เหล่านั้นทั้งหมดแยกไปคนละทิศคนละทางไปไหนจรรภพิคเวจาริกพรผูุชนะฮิตายะผูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเธอจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกเพื่อความสุขแก่ประชาเธอจงไปเหมือนนอแรดนอแรดนี้ก็คือ ไปตนเดียวตัวเดียวภิกษุ 1,250 รลูกไปคนละเส้นทางแยกทางกันไปประกาศพระศาสนาประกาศความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์พระองค์ทรงให้ภิกษุออกไปหลังจากที่พิกษุ์ทุกรูปมาแสดงพลังสามาคัคคีมารวมตัวกันก่อนมารวมตัวทราบหลักการว่าเมื่อเป็นพระแล้วเนี่ย จะทําตัวอย่างไรในการแสดงธรรมก็โอวาทปฏิโมกษ์สามอย่างยึดหลักนี้ไปก่อนนะยึดหลักโอวาทปฏิโมกษ์แล้วก็ออกเผยแผ่ศา ส, สนาเพราะฉะนั้นวันมาคาบูชาให้ถือว่าเป็นวันที่พระสงฆ์แสดงพลังสามัคคีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวพุทธของเราอ่อนสามัคคีมากนะไม่ใช่อ่อนเรื่องอื่นทานเนี่ยให้เก่งศีลก็รักษาพอสมควร แต่เรื่องของสามะคีรู้สึกว่าอ่อนกันมากเหลือเกินตรงโน้นกลุ่มหนึ่งตรงนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มนั้นก็ยังมีกลุ่มย่อยไปอีกหมายคุณละทิศคุละทางกลุ่มนั้นก็เรียนเฉพาะประสูตรกลุ่มนี้ก็เรียนเฉพาะวินัยกลุ่มนี้ก็เรียนเฉพาะอวิธรรมกลุ่มนี้ก็ฟังอย่างเดียวกลุ่มนี้ปฏิบัติอย่างเดียวกลุ่มนี้ก็ไม่เอาอะไรเลยกลุ่มนี้ให้ทานอย่างเดียวกลุ่มนี้รักษาศีลอย่างเดียวแต่วันโอวาทัปฏิโมขอให้เป็นกลุ่มที่แสดงพลังสามะคีก็คือเป็นกลุ่มที่จะ ศึกษาปริยัติลงมือปฏิบัติแล้วก็เป็นกลุ่มที่จะได้รับผลปฏิเวทเหมือนกันพร้อมกันขอให้เป็นวันที่แสดงถึงพลังสามคัคคีนะก็คือจะสามัคคีได้ก็ต้องมีจิตที่เป็นสามัคคายะสามัคคีมาพร้อมเพียงกันจิตตะสามคัคคีตอนนี้ชาวพุทธมีเป้าหมายอันเดียวกันคือนิพพานังประมังวทันฒิพุทธาจะสามัคคีกันได้ต้องมีอะไรต้องมีขันติขันติประมังตโปติติขา ต้องเมื่อสามัคคีกันแล้วพ่อมีเป้าหมายอันเดียวกันคือนิพพานนิพพานเพราะฉะนั้นต้องไม่ว่าร้ายซึ่งกันและกันไม่กล่าวร้ายซึ่งกันและกันมีการอดทนอดกลั้นอดโทษซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้พลังสามัคคีาศาสนาของเราก็จะมีพลังพลังอื่นยิ่งกว่าพลังสามัคคีไม่มีสามัคคีคือพลังถ้าชาวพุทธมีความสมัครสมาน ส, สามัคคีแล้ว พลังแห่งสามัคคีก็จะทําให้ชาวพุทธของไทยเข้มแข็งแล้วก็จะทําให้คนพุทธไทยมีความสุขเพราะสุขขาสังคัจะสามคัคคีความพร้อมเพียงแห่งพลังของชาวพุทธก็จะนํามาซึ่งความสุขของตนเองแล้วก็ความสุขของสัตว์โลกทั้งมวลเพราะนั้นก็ขอใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร